หัดและบรรพชิตมาถวายดอกไม้ตามกาลละเวลาเรื่องส ก, การะเรื่องคาระวะการเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นมงคลอันเลิพศพรรษานี้อาตมาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงจึงหลบมาอยู่บนภูเขานี้ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์สักพรรษานี่ญาติโยมสานุสิตทั้งหลายไปเยี่ยมก็ไม่ได้สนองศรัทธาอย่างเต็มที่เพราะว่าเสียงมันจะหมดแล้ว ลมมันก็จะหมดแล้วนับว่าเป็นบุญที่เป็นตัวเป็นตนมันนั่งให้ญาติโยมเห็นอยู่นี่นับว่าดีแล้วต่อไปก็จะไม่ได้เห็นลมมันก็จะหมดเสียงมันก็จะหมดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนไว้ขยะไวยังคือความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขาร เสื่อมไปอย่างไรเปรียบเหมือนก้อนน้ําแข็งแต่ก่อนมันเป็นน้ําเขาเอามาทําให้เป็นก้อนแต่มันก็อยู่ไม่นานหรอกมันก็เสื่อมไปเอาก้อนน้ําแข็งใหญ่ๆเท่าเทปเนี่ยไปวางไว้กลางแจ้งจะดูความเสื่อมของก้อนน้ําแข็งก็เหมือนสังขาร น, นี้มันจะเสื่อมทีละน้อยทีละน้อยไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก้อนน้ําแข็งก็จะหมด ละลายเป็นน้ำไปนี่เรียกว่าเป็นขยะไวยังความสิ้นไปความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายเป็นมานานแล้วตั้งแต่มีโลกขึ้นมาเราเกิดมาเราเก็บเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไม่ใช่ว่าเราทิ้งไปไหนพอเกิดเราเก็บเอาความเจ็บความแก่ความตายมาพร้อมกัน องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไ้ว่าขยักไวยังความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขารทั้งหลายเรานั่งอยู่บนสาลานี้ทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งพระทั้งเนรทั้งหมดนี้มีแต่ก้อนเสื่อมทั้งนั้นนี่ที่ก้อนมันแข็งเปรียบเช่นก้อนน้ําแข็งแต่ก่อนเป็นน้ำมันเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็เสื่อมไป เห็นความเสื่อมกันไหมดูอาการที่มันเสื่อมสิร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนมันเสื่อมผมมันก็เสื่อมไปขนมันก็เสื่อมไปเล็บมันก็เสื่อมไปหนังมันก็เสื่อมไปอะไรทุกอย่างมันเสื่อมไปทั้งนั้น ญาติโยมทุกคนเมื่อครั้งแรกคงจะไม่เป็นอย่างนี้นะคงจะมีตัวเล็กกว่านี้นี่มันโตขึ้นมาจเจริญขึ้นมาต่อไปนี้มันก็จะเสือ่อมเสื่อมไปตามธรรมชาติของมันเสื่อมไปเหมือนก้อนน้าแข็งเดี๋ยวก็หมดก้อนน้าแข็งมันก็กลายเป็นน้าเรานี่ก็เหมือนกันทุกคนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเมื่อมีตัวตนประกอบกันอยู่ ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตั้งขึ้นเรียกว่าคนแต่เดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกเรียกว่าคนเราก็ดีอกดีใจเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงสมมุติชื่อให้นายนั่นนางนี่ตามเรื่องเพื่อเรียกตามภาษาให้จําง่ายใช้การงานง่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรมีน้ำหนึ่งดินหนึ่งลมหนึ่งไฟหนึ่ง มาปรุงกันเข้ากลายเป็นรูปเรียกว่าคนโยมอย่าเพิ่งดีใจนะดูไปดูมาก็ไม่มีคนหรอกที่มันเข้มแข็งพวกเนื้อพวกหนังพวกกระดูกทั้งหลายเหล่านี้เป็นดินอาการที่มันเหลวๆตามสภาพร่างกายนั้นเราเรียกวันน้ำอาการที่มันอบอุ่นอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าไฟอาการที่มันพัดไปมาอยู่ในร่างกายคนเหล่านี้ ลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำนี้เรียกว่าลมทั้งสี่ประการนี้มาปรุงเข้าเรียกว่าคนก็ยังเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกจึงมีเครื่องหมายตามสมมุติของเราแต่อยู่ที่วัดป่าพงที่ไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายก็มีเป็นนปรุงสักกริร ไม่ใช่อิฐถีหลิงไม่ใช่ปุงหลิงคือซากศพที่เขาเอาเนื้อเอาหนังออกหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเป็นซากโครงกระดูกเขาแขวนไว้ไปดูก็ไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครไปถามว่านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่มองหน้ากันเพราะมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังออกหมดแล้วพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ทุกคนไปวัดป่าพงเข้าไปในสละก็ไปดูโครงกระดูก บางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากสาราเลยกลัวกลัวเจ้าของอย่างนั้นเข้าใจว่าไม่เคยเห็นตัวเราเองสักทีไปกลัวกระดูกไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูกเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีกระดูกจะเป็นอย่างไรจะเดินไปมาได้ไหมเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกันนอนเบาอันเดียวกันไม่เคยเห็นกันนี่แสดงว่าเราบุญมากที่มาเห็น แกแล้วห้าสิบปีหกสิปีเจ็ดสิบปีไปวัดป่าพงเห็นโครงกระดูกกลัวนี่อะไรไม่รู้แสดงว่าเราไม่คุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวเรากลับไปบ้านก็ยังนอนไม่หลับอยู่สามสี่วันแต่ก็นอนกับโครงกระดูกนั่นแหละไม่ใช่นอนที่อื่นหรอกห่ผมผ้าผืนเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งบริโภคข้าวด้วยกันแต่เราก็กลัว นี่แสดงว่าเราห่างเหินจากตัวเรามากที่สุด น, น่าสงสารไปดูแต่อย่างอื่นไปดูต้นไม้ไปดูวัตถุอื่นๆว่าอันนั้นโตอันนี้เล็กอันนั้นสั้นอันนั้นยาวนี่ไปดูแต่วัตถุของอื่นนอกจากตัวเราไม่เคยมองดูตัวเราเลยถ้าพูดตรงๆแล้วก็น่าสงสารมนุษย์เหมือนกันดังนั้นคนเราจึงขาดที่พึ่ง อาตมาเคยบวชนาคมันหลายองค์เกสาโลมานักขาทันตาตะโจนาคที่เคยเป็นนักศึกษาคงนึกหัวเราะว่าท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนเนี่ยเอาผมที่มันมีอยู่นานแล้วมาสอนไม่ต้องสอนแล้วรู้จักแล้วเอาของที่รู้จักแล้วมาสอนทำใหม่นี่คนที่มันมืดมากมันก็เป็นอย่างนี้คิดว่าเราเห็นผมอาตมาบอกว่า คำที่ว่าเห็นผมนั้นคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นขนก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นเล็บเห็นหนังเห็นฟันก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าเห็นไม่ใช่ว่าเห็นอย่างผิวเผินเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรอย่างไรเราคงจะไม่หมกมุ่นอยู่ในโลกอย่างนี้ถ้าเห็นตามความจริงผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างไรตามความเป็นจริง เป็นของสวยไหมเป็นของสะอาดไหมเป็นของมีแก่นสารไหมเป็นของเทียมไหมเปล่ามันไม่มีอะไรหรอกของไม่สวยแต่เราไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเกษาโลมาณขาทันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนัง คนเราไปติดอยู่นี่พระพุทธองค์ท่านยกมาทั้งห้าประการนี้เป็นมูลกรรมฐานสอนให้รู้จักกรรมฐานทั้งห้านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเกิดขึ้นมาก็หลงมันซึ่งเป็นของโศโครกดูสิคนเราไม่อาบน้ำสักสองวันสิเข้าใกล้กันได้ไห มันเหม็นเหงื่อออกมากๆไปนั่งทำงานรวมกันอย่างนี้เหม็นทั้งนั้นแหละกลับไปบ้านอาบน้ำถูสบู่ออกหายเหม็นไปนิดหนึ่งก็หอมสบู่ขึ้นมาได้ถูสบู่มันก็หอมไอตัวเหม็นก็อยู่อย่างเดิมนั่นแหละมันยังไม่ปรากฏเท่านั้นกลิ่นสบูนะ่น่ะมันขมไว้เมื่อหมดสบู่มันก็เหม็นตามเคย เรามักจะเห็นรูปที่นั่งอยู่เนี่ยนึกว่ามันสวยมันงามมันแน่นมันหนามันตรึงตามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายหลงเพลิดเพลินอยู่ในสากลโลกนี้จึงไม่รู้จักพึ่งตนเองตัวที่พึ่งของเราคือใจใจของเราเป็นที่พึ่งจริงๆศสาลาหลังนี้มันใหญ่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยชั่วคราว นกพิราบมันก็มาอาศัยอยู่ตุกแกมันก็มาอาศัยอยู่จิ้งเหลนนี้มันก็มาอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมาอาศัยอยู่ได้เราก็นึกว่าของเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันอยู่ด้วยกันหนูมันก็มาอยู่สารพัดอยา่างนี่เรียกว่าที่อาศัยชั่วคราวเดี๋ยวก็หนีไปจากไปเราก็นึกว่าอันนี้เป็นที่พึ่งของเรา คนมีบ้านหลังเล็กๆก็เป็นทุกข์เพราะบ้านมันเล็กมีบ้านหลังใหญ่ๆก็เป็นทุกข์เพราะกวาดไม่ไหวตอนเช้กาก็บนตอนเย็นก็บนจับอะไรวางตรงไหนก็ไม่ค่อยได้เก็บคุณหญิงคุณนายเนี่ยจึงเป็นโรคประสาทกันเป็นทุกข์กันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้หาที่พึ่งคือหาใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สําคัญ โดยมากคนเราไม่ค่อยมองดูในสิ่งที่สําคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่สําคัญเป็นต้นว่ากวาดบ้านล้างจานก็มุ่งความสะอาดล้างถ้วยล้างจานให้มันสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะอาดแต่ใจเจ้าของไม่เคยมุ่งเลยใจของเรามันเน่าบางทีก็โกรธหน้าบูดหน้าเบี้ยวเท่านั้นแหละก็ไปมุ่งแต่จานให้จานมันสะอาดใจของเราไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ไม่มองดู เนี่ยเราขาดที่พึ่งเอาแต่ที่อาศัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งอะไราสารพัดอยา่างแต่ใจของเราไม่ค่อยจะแต่งกันทุกไม่ค่อยจะมองดูใจนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญพระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่าให้หาที่พึ่งทางใจอัตตาหิอัตโนนาโถใครจะเป็นที่พึ่งได้ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเรานี่เองไม่ใช่สิ่งอื่น พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอนเราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเราเราต้องมีที่พึ่งก่อนจะพึ่งอาจารย์พึ่งญาติมิตรสหายทั้งหลายจะพึ่งได้ดีนั้นเราต้องทําตัวของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อนวันนี้ที่มากราบธรรมสการทั้งคารื้อหัดและบรรพชิต ขอให้รับโอวาสนี้ไปพีพิจารณาเราทุกคนให้นึกเสมอว่าเราคืออะไรเราเกิดมาทำไหมนี่ถามปัญหาเจ้าของอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไหมให้ถามเสมอบางคนไม่รู้นะแต่อยากได้ความสุขใจมันทุกข์ไม่หายรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์เป็นเด็กเป็นคนโตก็ทุกข์ทุกหมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดปัญญา เป็นคนจนก็ทุกข์เพราะมันจนเป็นคนรวยก็ทุกข์เพราะมันรวยมากของมากๆรักษาคนเดียวในสมัยก่อนอาตมาเคยเป็นสามเณรเคยเทศให้โยมฟังครูบาอาจารย์ท่านให้เทศพูดถึงความร่ำรวยในการมีท่าให้มีท่าสักร้อยผู้หญิงก็ให้ได้สักร้อยหนึ่งผู้ชายก็ร้อยหนึ่ง มีช้างก็ร้อยหนึ่งมีวัวก็ร้อยหนึ่งมีควายก็ร้อยหนึ่งมีแต่สิ่งลาร้อยทั้งนั้นญาติโยมได้ฟังแล้วก็สบายใจให้โยมไปเลี้ยงควายสักร้อยหนึ่งเอาไหมเอาควายร้อยหนึ่งเอาวัวร้อยหนึ่งมีทาตผู้หญิงผู้ชายอย่างลาร้อยให้โยมรักษาคนดีมันจะดีไหมนี่ไม่คิดถูกแต่ความอยากมีวัวมีควายมีช้างมีม้ามีทาตสิ่งลาร้อยลาร้อย น่าฟังอุ้ยอิ่มใจเหลือเกินมันสบายนะแต่อาตจจมาเห็นว่าได้สักห้าสักสิบตัวก็พอแล้วแค่ฟันเชือกเท่านั้นก็เต็มทีแล้วอันนี้โยมไม่คิดคิดแต่ได้ไม่คิดถึงว่ามันจะยากจะลำบากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเราเนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาจะทำให้เราทุกข์นะ ถ้าเรามีปัญญานําออกจากทุกได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาไม่ใช่ของดีนะถ้าเราใจไม่ดีไปมองคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อีกแล้วไปมองดูคนบางคนรักเขาอีกแล้วรักเป็นทุกข์อีกแล้วมันไม่ได้ก็เป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เพราะมันอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ของที่ไม่ชอบใจอยากทิ้งมันไป อยากได้ของที่ชอบใจของที่ไม่ชอบใจได้มามันก็ทุกของที่ชอบใจได้มาแล้วกลัวมันจะหายอีกแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรบ้านหลังใหญ่ๆขนาดนี้ก็นึกว่าจะให้มันสบายขึ้นเก็บความสบายเก็บความดีไว้ในนี้ถ้าคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายจงมองดูตัวของเรา ว่าเราเกิดมาทำไมเราได้อะไรไว้ไหมอาตมาเคยรวมคนแก่เอาคนแก่อายุเลยแปดสิบขึ้นไปมาอยู่รวมกันอาชีพทานาตามบ้านนอกของเราทํานามาตั้งแต่นู้นเกิดมาได้สิบเจ็ดสิบแปดปีก็รีบแต่งงานกลัวจะไม่รวยทางานตั้งแต่เล็กๆให้มันรวยทํานาจนเจ็ดสิบปีก็มีแปดสิบปีก็มีเก้าสิบปีก็มี ที่มานั่งรวมกันฟังธรรมโยมอาตมาถามโยมจะเอาอะไรไปไม่เนี่ยเกิดมาก็ทำอยู่จนเดี๋ยวนี้แหละผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหมไม่รู้จักตอบได้แต่ว่าจังว่าจังว่าจังว่าเป็นภาษาอีสานเป็นคำรับที่แสดงความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจคล้ายภาษากลางว่านั่นละซีนั่นละซีนี่ตามภาษาเขาว่ากินลูกว่า เพลินกับลูกว่ามันจะเสียเวลาเพราะจังว่านี่แหละจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็ไม่อยู่มันอยู่ที่จังว่านั่งอยู่กลางๆอยู่ง่านั่งอยู่บนคาคบนั่นแล้วมีแต่จังว่าจังว่าตอนยังหนุ่มๆครั้งแรกอยู่คนเดียวเข้าใจว่าเป็นโสดไม่สบายหาคู่ครองเรือนมันจะสบายเลยหาคู่ครองมาครองเรือนให้ เอาของสองอย่างมารวมกันมันก็กระทบกันอยู่แล้วอยู่คนเดียวมันเงียบเกินไปไม่สบายแล้วเอาคนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกันกอกกอกแก๊กแก๊นั่นแหละลูกเกิดมาครั้งแรกตัวเล็กๆพ่อแม่ก็ตั้งใจว่าลูกเราเมื่อมันโตขึ้นมาขนาดหนึ่งเราก็สบายแล้วก็เลี้ยงมันไปสามคนสี่คนห้าคนนึกว่ามันโตเราจะสบาย เมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนักเหมือนกับแบกท่อนไม้อันหนึ่งเล็กอันหนึ่งใหญ่ทิ้งท่อนเล็กแล้วแบกเอาท่อนใหญ่นึกว่ามันจะเบาก็ยิ่งหนักลูกเราตอนเด็กๆมันไม่กวนเท่าไหร่หรอกโยมมันกวนถามกินข้าวกินกล้วยเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันถามเอารถมอเตอร์ไซค์มันถามเอารถเก๋งเอาละความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ก็พยายามหา มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ให้มันก็เป็นลูกบางทีพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันอย่าเพิ่งไปซื้อมันเลยรถเนี่ยมันยังไม่มีเงินแต่ความรักลูกก็ต้องไปกู้คนอื่นเขามาเห็นอะไรก็อยากซื้อมากินแต่ก็อดกลัวมันจะหมดเปลืองหลายอย่างต่อมาก็มีการศึกษาเล่าเรียนถ้ามันเรียนจบเราก็จะสบายหรอกเรียนไม่จบ มันจบไม่เป็นมันจะจบอะไรเรียนไม่มีจบทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียนจบาศาสตร์อื่นนอกนั้นมันเรียนต่อไปเรื่อยๆ เ, เรียนไม่จบเอาไปเอามาก็เลยวุ่นเท่านั้นแหละบ้านหนึ่งเรียนสี่คนห้าคนตายพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันไม่มีวันเว้นละอย่างนั้นอนะ่ะความทุกข์มันเกิดมาภายหลังเราไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ เมื่อมันมาถึงเข้าแล้วจึงรู้ว่าโอ้มันเป็นทุกทุกอย่างนั้นจึงมองเห็นยากทุกในตัวของเราณโยมพูดตามประสาบรร น, นอกของเราเรื่องฟันของเราณโยมตอนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขี้ฐานไฟก็ยังเอามาถูฟันให้มันขาวไปถึงบ้านก็ไปยิงฟันใส่กระจกนึกว่ามันขาวถูฟันแล้วนี่ไปชอบกระดูกชอบเจ้าของไม่รู้เรื่อง พออายุถึงห้าสิบหกสิบปีฟันมันโยกเออเอาสิฟันโยกมันจะร้องไห้กินข้าวน้ำตามันค็ไหลเหมือนกับถูกสอกถูกเข่าเขาอยู่ทุกเวลาฟันมันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันยากมันลำบากนี่อาตมาผ่านมาแล้วเรื่องนี้ถอนออกหมดเลยในปากนี่เป็นฟันปลอมทั้งนั้นมันโยกไม่สลายอยู่สิบหกซี่ ถอนทีเดียวหมดเลยเจ็บใจมันหมอไม่กล้าถอนเนะ่ตั้งสิบหกซี่หมอถอนมันเถอะเป็นตายอาตมาจะรับเอาหรอกถอนมันออกทีเดียวพร้อมกันสิบหกซี่ที่มันยังแน่นๆตั้งหลายซี่ตั้งห้าซี่ถอนออกเลยแต่ว่าเต็มทีนะถอนออกหมดแล้วไม่ได้ฉันข้าอยู่สองสามวันนี่เป็นเรื่องทุกข์อาตมาคิดแต่ก่อนนะ ตอนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาถ่านไฟมาถูให้มันขาวรักมันมากเหลือเกินนึกว่ามันเป็นของดีผลที่สุดมันจะหนีจากเราจึงเกิดตายเจ็บฟันเนี่ยมันตั้งหลายเดือนตั้งหลายปีบางทีมันบวมทั้งข้างล่างข้างบนหมดท่าเลยโยมอันนี้คงเจอกันทุกคนหรอกนะพวกที่ฟันไม่โยกเอาแปรงไปแปรงให้มันสะอาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้าย สี่ยาวสี่สั้นมันสลับกันอยู่อย่างนี้ทุกมากโยมอันนี้ทุกมากจริงๆอันนี้บอกไว้หรอกบางทีจะไปเจอเอาทุกเพราะความทุกในตัวของเรานี้จะหาที่พึ่งอะไรมันไม่มีมันค่อยยังชั่วเมื่อเรายังหนุ่มพอแก่เข้าก็เริ่มพังมันช่วยกันพังสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะร้องให้มันอยู่อย่างนี้จะดีใจมันก็อยู่อย่าง เราจะเป็นอะไรมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เราจะเก็บจะปวดจะเป็นจะตายมันก็อยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้นี่มันหมดความรู้หมดวิชาเอาหมอฟันมาดูฟันถึงจะแก้ไขแล้วยังไงก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นต่อไปหมอฟันเองก็เป็นเหมือนเราอีกไปไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างมันก็พังไปด้วยกันทั้งหมดนี่เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องรีบพิจารณาเมื่อมีกําลังเรียวแรงก็รีบทํา จะทำบุญสุนทานจะทำอะไรก็รีบจัดทำกันแต่ว่าคนเราก็มักจะไปมอบให้แต่คนแก่จะเข้าวัดศึกษาธรรมะรอให้แก่ซะก่อนโยมผู้หญิงก็เหมือนกันโยมผู้ชายก็เหมือนกันให้แก่ซะก่อนเถอะไม่รู้ว่าอะไรกันคนแก่นี่มันกำลังดีไหมลองไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มดูสิทำไมจะต้องไปมอบให้คนแก่เหมือนไม่รู้จักตาย พอแก่มาสักห้าสิบปีหกสิปีจวนเข้าวัดอยู่แล้วหูตึงเสแล้วความจําก็ไม่ดีเสีแล้วนั่งก็ไม่ทนยายไปวัดเถอะโอ้ยหูฉันไม่ดีแล้วนั่นเห็นไหมตอนหูดีเอาไปฟังอะไรอยู่จังว่าจังว่ามันคาแต่ลูกว่าอยู่นั่นแหละจนหูมันหนวกเสแล้วจึงไปวัดมันก็ไปได้นั่งฟังท่านเทศเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วจึงมาทํากัน วันนี้คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นมรดกของเราทั้งนั้นมันจะรวมมารวมมาให้เราแบกทั้งนั้นแหละขานี่เป็นสิ่งที่วิ่งได้มาแต่ก่อนอย่างขาอัตมาเนี่ยจะเดินมันกน็หนักสกลร่างกายจะต้องแบกมันแต่ก่อนนั้นมันแบกเราบัดนี้เราแบกมันสมัยเป็นเด็ก เห็นคนแก่ลุกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยมันทุกข์ถึงขนาดนั้นเรายังไม่เห็นโทษมันเมื่อจะหนีจากมันเราไม่รู้จักที่ทําเจ็บทํำปวดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันเป็นประดงประดงไฟประดงข้อประดงงอประดงจีปาทะหมอเอายามาใส่ก็ไม่ถูกผลที่สุดก็พังไปทั้งหมดอี คือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติฉะนั้นให้ญาติพี่น้องให้พากันเห็นถ้าเห็นแล้วก็จะไม่เป็นอะไรอย่างงูอสอรพิษตัวร้ายร้ายมันเลื้อยมาเราเห็นเราเห็นมันก่อนก็หนีมันไม่ได้กัดเราหรอกเพราะเราได้ระวังหันถ้าเราไม่เห็นมันเดินเดินไปไม่เห็นก็ไปเหยียบมันเดี๋ยวมันก็กัดเลย ถ้ามันทุกข์แล้วไม่รู้จะไปฟ้องใครถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะไปแก้ตรงไหนคืออยากแต่ว่าไม่ให้มันทุกข์เฉยๆทั้งนั้นอยากไม่ให้มันทุกข์แต่ไม่รู้จักทางแก้ไขมันแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปจนถึงวันแก่วันเจ็บแล้วก็วันตายคนโบราณบางคนเขาว่าเมื่อมันเจ็บไข้จวบลมหายใจจะขาดให้ค่อยๆเข้าไปประสิบใกล้หูขนไข้ว่า พุทโธพุทโธพุทโธมันจะเอาอะไรพุทโธน่ะคนที่ใกล้จะนอนในกองไฟจะรู้จักพุทโธอะไรตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นรุ่นทำไมไม่เรียนพุทโธให้มันรู้หายใจติด บ, บั้งไม่ติด บ, บั้งแม่แม่พุทโธพุทโธว่ายมันเหนื่อยทําไมอย่าไปว่าเลยมันหลายเรื่องเอาได้แค่นั้นก็สบายแล้ว โยมชอบเอาแต่ต้นกับปลายนะตรงกลางไม่เอาหรอกชอบอย่างนั้นบริวารพวกเราทั้งหลายก็ชอบอย่างนั้นทั้งญาติโยมทั้งพระทั้งเนรชอบแต่ทาอย่างนั้นไม่รู้จักแก้ไขภายในจิตของเจ้าของไม่รู้จักที่พึ่งแล้วก็โกรธง่ายแล้วก็อยากหลายด้วยทำไมคือคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจ อยู่เป็นคารวาสมีอายุยี่สิบสามสิสี่ิปีกำลังแรงดีอยู่พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายก็พอพูดกันรู้เรื่องกันหน่อยนี่ห้าสิบปีขึ้นไปแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวก็นั่งหันหลังให้กันหรอกแม่บ้านพูดไปพ่อบ้านทนไม่ได้พ่อบ้านพูดไปแม่บ้านฟังไม่ได้เลยแยกกันหันหลังให้กันเลยแตกกันเลย เรื่องนี้อาตมาเล่าไปหรอกนะตัวเองไม่เคยมีครอบครัวทำไมไม่มีครอบครัวคืออ่านคำว่าครอบครัวมันก็รู้แล้วครอบครัวคืออะไรครอบมันก็คืออย่างนี้ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆก็เอาอะไรมาครอบลงเนี้ยจะเป็นอย่างไรเรานั่งอยู่ไม่มีอะไรมาครอบมันก็พอทนได้ถ้าเอาอะไรมาครอบลงก็เรียกว่า ครอบแล้วมันเป็นอย่างไรครอบก็เป็นอย่างนั้นมันมีวงจำกัดแล้วผู้ชายก็อยู่ในวงจำกัดผู้หญิงก็อยู่ในวงจำกัดอาตมาไปอ่านแล้วครอบครัวโอยหนักสับตายเนี่ยคำนี้ไม่ใช่สับเล่นๆสับที่ว่าครอบเนี่ยสัพทุกไปไม่ได้มันมีจำกัดแล้วต่อไปอีก ครัวก็หมายถึงการก่อกวนแล้วทิมแทงแล้วโยมผู้หญิงเคยเข้าครัวเคยโกรกพริกคั่วพริกแห้งนะไอจามทั้งบ้านเลยสับครอบครัวมันวุ่นไม่น่าอยู่หรอกอาตมาส่สองสับนี่แหละจึงบวชไม่สึกครอบครัวนี้น่ากลัวขังไว้จะไปไหนก็ไม่ได้ ลำบากเรื่องลูกบ้างเรื่องเงินเรื่องทองบ้านสารพัดอย่างอยู่ในนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนมันผูกไว้แล้วลูกผู้หญิงก็มีลูกผู้ชายก็มีมันวุ่นวายเถียงกันอยู่นั่นแหละจนตายก็ไม่ต้องไปไหนกันละเจ็บใจขนาดไหนก็ไม่ว่าน้ําตามันไหลออกมาก็ไหลอยู่นั่นแหละเออน้ําตามันไม่หมดนะโยมครอบครัวเนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวน้ําตามันหมดเป็นถ้ามีครอบครัวน้ําตามันหมดยากหมดไม่ได้ โยมเห็นไหมมันบีบออกมาเหมือนบีบอ้อยตาแห้งๆก็บีบออกมาให้เป็นน้ําไหลออกมาไม่รู้มาจากไหนมันเจ็บใจแค้นใจสารพัดอยา่างมันเลยทุกรวมทุกขบีบออกมาเป็นน้ําทุกข์อันนี้ให้โยมทั้งหลายเข้าใจถ้ายังไม่ผ่านมันจะยังผ่านอยู่ข้างหน้า บางคนอาจจะผ่านมาบ้างแล้วเล็กเล็กน้อยๆอยบางคนก็เต็มที่แล้วจะอยู่หรือจะไปนาะโยมผู้หญิงเคยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อแม้ถ้าดีฉันไม่มีบุญดีฉันจะไปแล้วเอออยู่นั่นแหละเรียนให้จบซะก่อนเรียนตรงนั้นอยากจะไปก็อยากจะไปไม่อยากจะอยู่ถึงขนาดนั้นก็ยังหนีไม่ได้ วัดป่าพรมสร้างกุฏิเล็กๆไว้ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบหลังบางทีจะมีพระเนรมาบรรจุอยู่เต็มบางทีก็มีเหลือสองสามหลังอาตจจมาถามว่ากุฏิยังเหลือว่างไหมพวกชีบอกมีบ้างสองสามหลังเออเก็บไวเ้เถอะบางทีพ่อบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะ ก, กันเอาไว้เขามันนอนสักหน่อยแม่มาแล้วโยมผู้หญิงสะพายของมาแล้ว ถามว่าโยมมาจากไหนมากราบหลวงพ่อดิฉันเบื่อโลกโอ้ยอย่าว่าเลยอาตมากลัวเลือเกินพอผู้ชายมาบ้างก็เบื่ออีกแล้วนั่นมาอยู่สองสามวันก็หายเบื่อไปแล้วโยมผู้หญิงมาก็เบื่อโกหกเจ้าของโยมผู้ชายมาก็เบื่อโกหกเจ้าของ ไปนั่งอยู่คุติเ ล, เล็กๆเงียบๆคิดแล้วเมื่อไหรนะ่น้อแม่บ้านจะมาเรียกเรากลับเมื่อไหรนะ่น้อพ่อบ้านจะมาเรียกเรากลับแน่ไม่รู้อะไรมันเบื่ออะไรกันมันโกรธแล้วมันก็เบื่อแล้วก็กลับอีกเมื่ออยู่ในบ้านผิดทั้งนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้นแม่บ้านผิดทั้งนั้นมานั่งภาวนาได้สามวันเออแม่บ้านเขาถูกเว้ยเรามันผิด พ่อบ้านเขาถูกเราสิผิดมันจะกลับมันจะเปลี่ยนเอาเองของมันอย่างนั้นก็กลับไปเลยทั้งนั้นแหละเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะโลกเนี้อาตมาจึงไม่วุ่นวายอะไรมันมากรู้ต้นรู้ปลายมันแล้วฉะนั้นจึงมาบวชอยู่อย่างนี้ วันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านเอาไปทําการบ้านจะทําไร่ทํานาทําสวนให้เอาคําหลวงพ่อมาพิจารณาว่าเราเกิดมาทํำไมเอาย่อๆว่าเกิดมาทํำไมมีอะไรเอาไปได้ไหมถามเรื่อยๆนะถ้าใครถามอย่างนี้บ่อยๆมีปัญญานะถ้าใครไม่ถามเจ้าของอย่างเนี้ยโง่ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมบางทีฟังธรรมวันนี้แล้วกลับไปถึงบ้านจะพบเย็นนี้ก็ได้ ไม่นานนะมันเกิดขึ้นทุกวันเราฟังธรรมอยู่มันเงียบบางทีมันรออยู่ที่รถเมื่อเราขึ้นรถมันก็ขึ้นรถไปด้วยถึงบ้านมันก็แสดงอาการออกมาอ๋อหลวงพ่อท่านสอนไว้จริงของท่านละมั้งเนี่ยตาไม่ดีไม่เห็นนะเอาละ่ะวันนี้เทศมากก่็เหนื่อยนั่งมามากก่็เหนื่อยสังขารร่างกายเนี่ย อาตมาดีใจที่โยมได้มาเยี่ยมพระลูกชายและพักอยู่ที่วัดหนองป่าพมอีกไม่กี่วันก็จะกลับไปแล้วก็เลยถือโอกาสมาแสดงความดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นก็มีมากมายอยู่แล้วแต่ธรรมะที่จะบำรุงจิตใจของเราให้ส ง, งบระงับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อาตมาไปสังเกตการแล้วเห็นมีแต่เรื่องที่จะทำให้เราวุ่นวายยุ่งยากลำบากตลอดการตลอดเวลาจเจริญไปด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกรรมรมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐพะธันมารมเป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นจึงขอฝากธรรมะเพื่อไปปฏิบัติที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อจากวัดหนองป่าพงและวัดป่าน า, นาชาตไปแล้ว ธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลําบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงจนกระทั่งหมดไปสภาวะอันนี้เรียกว่าธรรมเราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาในชีวิตประจําวันและประจําชีวิตเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหามันได้เพราะปัญหานี้มีทุกคนไม่เฉพาะว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกมันมีทุกแห่ง ถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นธรรมดาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วหนทางที่จะแก้ไขมันก็คือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสําหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรมากอื่นไกลอยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกัน คนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเท่านั้นที่วุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายฉะนั้นผู้สงบระ ง, งับต้องมีกายกับใจสงบความเป็นจริงนั้นใจของเรามันเป็นปกติอยู่เปรียบเหมือนน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดมีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติถ้าหากเราสีเขียวใส่เข้าไปเอาสีเหลืองใส่เข้าไปน้าก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไป จิตเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ขุ่นมัวไม่สบายเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเขียวก็เขียวไปถูกสีเหลืองก็เหลืองไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองปกติของมันก็เป็นน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์คือน้าฝนปกติจิตของเรานี้ก็เหมือนกัน เป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่จะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดให้เห็นชัดอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่ามีความสงบเหมือนกันกันกบใบไม้ใบไม้นั้นถ้าไม่มีลมพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบไม้มันก็กดแกว่งไปตามลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันย ถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวัดแกงไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของไปอารมณ์สุข ก, ก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยๆจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของ จิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ปราศจากพ่อแม่ที่จะดูแลเป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นเป็นคนที่ขาดที่พึ่งคนที่ขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากขาดการอบรมบ่มนิสัยทําความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลาบากมากในทางพุทธศาสนาการทําจิตให้สงบระงับนี้ ท่านเรียกว่าการทำกรร ม, มาฐานฐานคือเป็นที่ตั้งกรรมคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีกายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเราเป็นอีกส่วนหนึ่งมีสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเราจิตเป็นสภาวธรรมอันหนึง่งเป็นนามธรรมาซึ่งไม่มีรูปมองด้วยตาไม่ได้ แต่เป็นของมีอยู่ตามภาษาสามัญก็เรียกว่ากายกับใจกายเรามองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นได้ด้วยตาไหนคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านั้นมันวุ่นวายกันฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานให้ไปฝึกจิตเอาจิตพิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตมันก็ไม่คืออะไร มันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นผู้รับรู้ผู้รับรู้นั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ที่ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครมีภาวะที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้ท่านเรียกว่า อย่างเช่นอาตมาพูดในฟังขณะนี้จิตของเรายังมีจิตรับรู้ว่าพูดอะไรอย่างไรมันเข้าไปทางหูรู้ว่าพูดอะไรเป็นอย่างไรก็รู้จักผู้รับรู้นี้เรียกว่าจิตจิตไม่มีตัวจิตไม่มีตนจิตไม่มีรูปจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นถ้าหากว่าเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้ว จิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตก็จะสบายจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์เราพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนเข้ามาจิตกับอารมณ์สองอย่างนี้มากระทบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่าง ทีนี้เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการทำจิตของเราให้มีรากฐานคือกรรมฐานเอาลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอาณาปานสติทีนี้จะยกเอาลมเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ การทำกรรมฐานมีหลายอย่างมากมายมันก็ยากลำบากเอาลมนี้เป็นกรรมฐานดีกว่าเพราะว่าลมหายใจนี้เป็นมงกุฎกรรมฐานมาแต่ครั้งดึกดำบันมาแล้วพอเรามีโอกาสดีๆเราเข้าไปนั่งสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็นึกในจิตของเราว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป ไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยปล่อยให้หมดแม้จะมีธุระอะไรอยู่มากมายก็ปล่อยปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเราว่าจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่อารมณ์อันเดียวแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวอย่าให้มันสั้น อย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดจากจิตนั้นให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโนนไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียว ไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดอย่างอื่นให้มีสติความระลึกได้ตามเข้าไปและสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เราหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่ฮัไทยปลายลมอยู่สะดือเมื่อหายใจออกต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่จมูกให้รู้สึกอย่างนี้หายใจเข้าหนึ่งจมูก สองฮะไทยสาสะดือหายใจออกหนึ่งสะดือสองฮะไทยสามจมูกกาหนดอยู่สามอย่างนี้หายความกังวลหมดไม่ต้องคิดเรื่องอื่นกำหนดเข้าไปให้รู้ต้นลมกลางลมปลายลมสม่สำเสมอแล้วต่อนนันนไปจิตของเราจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมตลอดเวลาเมื่อทำไปเช่นนี้ จิตอันควรแก่การงานก็จะเกิดขึ้นกายก็ควรแก่การงานการขบเมื่อยทั้งหลายจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆกายก็จะเบาขึ้นจิตก็จะรวมเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงเราทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตมันจะฝักใฝ่อยู่กับลมไม่แยกไปที่อื่นไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จัก ปลายลมก็รู้จักเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ต้นลมปลายลมก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกว่ามันออกมันเข้าจิตเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกอันเดียวตลอดไปการทําจิตเช่นนี้เรียกว่าทําจิตให้สงบทําจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมฐาน ให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่บ้านก็ได้จะอยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้ทำได้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้ ขอแต่ให้เรามีสติกำหนดอยู่เสมอว่าบัดนี้จิตใจของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อันใดอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความรับผิดชอบของจิตอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าการทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ ปัญญามันจะเห็นเอาจิตที่สงบพิจารณาแล้วร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาศาีรษะพิจารณากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยให้เห็นเกสาโลมาณขาทันตาตาโจเป็นกรรมฐานให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว์พระบรมศาสดาของเราท่านทรงสอนว่าอันนี้สักแต่วธ า, าตุเท่านั้นอวัยวะร่างกายของเราสิ่งที่ค้นแข็งเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุน้ํา ลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟคนใดคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วมีสี่อย่างนี้เท่านั้นคือมีดินน้ำลมไฟสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีขเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินน้ามีลมไฟเท่านั้นที่เป็นอยู่ แล้วสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาความเป็นจริงไม่มีอะไรดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีที่ประกอบกันเรียกว่ามนุษย์นี่เป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนไปแปรไปอยู่อย่างนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้ว่าร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอน เรไหวไปมาอยู่เสมอเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่คิดไปสารพัดอย่างมันไม่แน่นอนบางทีคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้ บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตอันนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างสลับซับซ้อนกันไปจิตนี้มันเป็นของไม่แน่นอนกายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระบรมครูของเราท่านว่า ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเอาจิตของเราพิจารณาลงไปให้มันเห็นชัดเมื่อมันเห็นชัดแล้วอุปทานที่ถือว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรหลายอย่างมันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกัน เห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอันเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นอันเดียวกันกับไทยเมื่อจิตของเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากจิตใจของเราเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็น่าสังเวช ถอนอุปทานออกแล้วไม่ได้ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาจิตใจเห็นเช่นนี้มันก็เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีผลที่สุดเหลือแต่ธรรมคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้น นี่เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นจึงขอฝากโยมเอาไปพิจารณาเอาไปศึกษาประจำวันประจำชีวิตเอาไว้เป็นมรดกติดตัวสืบไปโยมเอาไปพิจารณาแล้วใจก็จะสบายใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบระงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลก เราไม่วุ่นวายถึงความวุ่นวายในเหมือง น, นอกมากมายเราก็ไม่วุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมะแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องฉะนั้นจงจำคำสอนนี้ไว้ต่อต่อไป